ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัติเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขขาวินนย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สัมมุขขาวินนยกับตินนวัฏฐารกะละ เจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบสมถะในเสขียกันละเจ็ดปาทุกกวักละสิกขาบทที่สิบห้าถามอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสมุขาวิไน 2. ปติญญาตกรณะ 3. สัมมุขาวิไนกับตินวัฏฐาระกะสมถวาระที่เจ็ดจบ